อีกสูตรหนึ่งนะครับประถมสีลสูตรว่าด้วยศีลและทิฐิอันลามกนะครับจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกรพิสูจน์ทางหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการอันกรรมของตนสัตว์ไปในนรกเหมือนถูกนามาทิ้งลงเชนั้น บอกว่ากรรมอะรจะนักขนาดนั้นนะถูกซัดไปในรกเหมือนโยนไปทิ้งกันนะธรรมสองประการเป็นฉนยัยคือศีลอัลลาโมกหนึ่งทิฏฐิอัลาโมกหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลอันกรรมของตนซัดไปในรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้นนะครับความชั่วนี่นะมันซัดไปเองนะครับไม่ได้มีใครไปทําให้หรอกแต่เนื่องจากศีลกับทิฏฐิที่ลาโมกนั่นเองนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนใดผู้มีปัญญาสามประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้คือศีลอลาโมกหนึ่งทิฏฐิอลาโมกหนึ่งนรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับนี่ก็ข้อความในปรถมศีลสูตรนะครับดังั้นคำว่าศีลอลามกในที่นี้ก็เป็นชื่อของความทุศีนั่นเองนะครับความผิด ความที่ล่วงละเมิดศีล อ, ออกไปนะมันก็หมายถึงกายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลอาชีพที่เป็นไปกับอกุศลนี่แหละครับลักษณะนี้แหละเรียกว่าศีลอันลามกนะครับบทว่าปาปเกสีเลเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอกุศลอัลามกเพราะอาธาิว่าไม่เป็นความฉลาดเลยบทว่าปาปิกายะทิถิยาได้แก่มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดอันลามก แต่โดยพิเศษนะครับที่เทสเหล่านี้คืออเหตตกะทิถินะครับความเห็นที่ปฏิเสธว่าหาเหตุไม่ได้เช่นว่าเกิดขึ้นลอยๆเนี่ยนะครับอกิริยะทิถิก็เห็นว่าไม่เป็นอันธรรมนะครับคือบุญบาปก็ไม่เป็นอันทำนะใครทําบุญก็ไม่เป็นอันทำทำบาปก็ไม่เป็นอันธรรมหรือว่านักธิกะทิถีเห็นว่าไม่มีหมายความว่าเห็นว่าไม่มีทั้งเหตุไม่มีทั้งผลเอางี้นะครับอเหิตกะทิถีเนี่ย ปฏิเสธปฏิเสธเหตุนะครับเช่นสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันก็เกิดมาเลยๆ อ, อย่างเงี้ยนะปฏิเสธเหตุส่วนอกริยทิฏฐิก็ปฏิเสธปฏิเสธผลส่วนนักะทิฏฐิก็ปฏิเสธทั้งเหตุและปฏิเสธทั้งทั้งผลนะครับสรุปแล้วทั้ง3ามอย่างนี้เป็นอุเฉ ท, ทิฏฐิทั้งหมดเลยนะครับเช่นปฏิเสธว่าทานไม่มีผล นะครับการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลการต้อนรับการเชื่อเชิญไม่มีผลการการบูชาทั้งหลายไม่มีผลนะครับเพราะปฏิเสธการทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ถ้าทําดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีบุญอะไรทําชั่วกับพ่อแม่ก็ไม่มีบาปอะไรหรือปฏิเสธแม้กระทั่งพบภูมิต่งตางๆอุปปาติกะเป็นต้นก็ไม่มีหรือปฏิเสธแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับ โอ้ยใครจะไปปฏิบัติได้ขนาดระดับพระพุทธเจ้าไม่มีรอกนะครับแต่งๆขึ้นเอาเฉยๆรอกเหมือนกันลักษณะนี้นะครับในบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันลา ม, มกนี่นะครับเป็นผู้วิบัติด้วยประโยคะนะครับเป็นคนที่วิบัติทางกายนะครับเนื่องจากพฤติกรรมที่เลวมากนะครับวิบัติทางวาจา ก, ก็คือคําพูดที่ไม่ดี ส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏฐิอันลา ม, มกเป็นผู้วิบัติด้วยอาสยะเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับบุคคลผู้วิบัติด้วยประโยค่าและอาสยะเป็นผู้ตกนรกโดยแท้อันนี้แน่นอนมากนะครับสมนังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนามาทิ้งลงเชนั้น ในบทว่าทวีหิธรมเมหิสมนาคโตนี้เพิ่งเห็นเป็นคําแสดงถึงลักษณะนะครับไม่ใช่แสดงถึงแบกแผนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องขยายสัพ์แสงเท่านั้นเองนะครับทําให้เห็นนะว่าคนทูศีลก็เป็นคนประโยค่าวิบัตินะครับถ้าวินัยไม่ดีศีนไม่ดีเรียกว่าประโยค่าวิบัติเป็นมิจฉาทิฐินี่เรียกว่าอาสยาวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประโยค่าสมบัติก็คือมีศีลดีนะครับ อาสัยสมบัติก็ได้แก่เป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิ เ, เรียกว่าอาสัยสมบัตินะครับ